ขึ้นตอนที่ครบคะ่ะเช้าๆอยู่เลยนะคะกับรายการสันสานิสนทนาซึ่งท่านก็ได้ฟังประสูตรที่พระมาชาคาวาโรได้อ่านให้พวกเราฟังเป็นเรื่องของทำดำทำขาวทำไม่ขาวไม่ดำนะคะทำอย่างใดชีวิตของเราจึงจะสิ้นกรรมก็เป็นสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนเหลือให้พวกเรานําไปปฏิบัติเท่านั้นเองค่ะต่อไปเรากำลังจะได้พบ ก, กับพระพบูลอภิปุลโน วัดป่าดอนหายโศวัดดอนธานีวัดที่กำลังจะมีงานกระถินในวันที่11พฤศจิกายนส่วนวัดของท่านมาเมื่อ ส, สักครู่วันที่4พฤศจิกายนที่นี่022690006ท่านสามารถโทรมาถามรายละเอียดเรื่องพนที่ได้นะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับพระไปบุญที่ปุณ โ, โนกันก่อนคะ่ะกล่าวน้องสการกันทั้งค่ะเยียบบานคก็มา ดาบสนทนาท่านอีกดิฉันขออนุญาตพูดถึงวันสำคัญวันนี้หนะ่อยได้ัหมคะใช่่ก็เป็นวันที่คนไทยได้พร้อมใจกันเพื่อที่จะระลึกถึงประหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าของกรุงรัตนโกสนินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระปิยะมหาราช mm hmm. เพราะว่า ได้ส่งทาอะไรเยอะนะคะให้กับประเทศไทยวันนี้พวกเราถ้าในทางธรรมะเนี่ยเราควรจะระลึกถึงพระผู้มีคุณกับคนจำนวนมากอย่างไรคะพระเจ้าให้ระลึกถึงในเรื่องของศีลศรัทธาชาค้าปัญญาที่บุคคลในบุคคลหนึ่งมีศีลศรัทธาชาค้าปัญญาที่บุคคลในบุคคลหนึ่งมีเนี่ยจะพาให้บุคคล น, นั้นเนี่ยไปเป็นเทวดา นะพอเราระลึกถึงศีลศรัท ธ, ธาจาคะปัญญาของบุคคลนั้นแล้วเนี่ยนะนี่คือเรียกว่าเทวตานุสตินะเทวตานุสตินี้เป็นเป็นพุทธวจนะนะนะให้เราลึกถึงเทวดาอนะย่างพระพิยามาราเนี่ย เ, เป็นผู้มีศีลมีจ า, า, าระคัญมีปัญญาเนี่ยเรามีความมั่นใจเลยว่าเออท่านต้องเป็นเทวดาแน่ทีนี้ประเด็นคือว่าพอเราระลึกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้ระลึกต่อไปว่าศีล เ, เรามีไหมศรัท ธ, ธาเรามีไหมจาระคัญเรามีไหมปัญญาเรามีไหม ถ้าเราไม่มีเราก็รีดทาให้มันมีซะถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็สบายใจซะนะเด้วยการระลึกถึงบุคคลที่มีศรัทธามีสีมีจาระามีปัญญาเนี่ยอย่างน้อยจิตใจเราจะเป็นกุศลแน่นอนค่ะเนื่องวันนี้เราก็ระลึกถึงในความมีสีมีศรัทธามีจารคมีปัญญาของพระองค์ท่านใช่นะคะแล้วก็บุคคลที่มีองค์ประกอบเหล่านี้ท่าน สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาพูดถึงในแง่ของคนไทยที่มีความรู้สึกต่อพระองค์ท่านเนี่ยก็เหมือนเป็นเทพองค์หนึ่ ง, งนะคะใช่ใช่เราจะได้เห็นจากที่อนุสาว ร, รีย์จะมีการไปถวายบังคมกันอยู่เป็นประจําเดือนนี้ก็ทํากันเป็นประจําทุกวันอังคารบางคนบอกว่าไม่เลือกวันละอยากไหว้อะ่ะค่ะแต่ก็ให้มีกุหลาบสีชมพูนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็แล้วแต่ความศรัทธาอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่อง ของแต่ละบุคคลนะคะในเรื่องของเทวดาตรงนี้ด้วหนึ่งที่คุณโยติว่าเหมือนกับบุคคลที่เป็นเทวดาก็มีนะจริงๆนี้ก็มีพุทธวจนะรับรองที่พระเจ้าเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีสีเนี่ยเป็นเหมือนกับเทพประบุตรหรือว่าเทวดานะส่วนบุคคลคที่ไม่มีสีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับซากศพนะทั้งนี้เป็นผู้ชายและผู้หญิงเพราะฉะนั้นถะ้าสีเนี่ยเป็นคุณฑธรรมหนึ่งที่ทําให้เราเป็นเทวดานะเพราะฉะนั้นถ้าในโลกนี้สักคนใดคนหนึ่งเนี่ย บางทีมีความประพฤติหรือพฤติกรรมอย่างใดหนึ่งที่เอ้ยเป็นคนดีจริงๆเลยอย่างคนที่เลี้ยงดูมารดาในสถานการณ์ที่ยากลําบากเนี่ยหรือคนที่ทําสิ่งที่ทําได้ยากอดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนได้ยากเนี่ยไอ้พวกนี้มันเหมือนกับเราดูตามทีวีที่มีเอ่อสครูปอะไรที่พิเศษพิเศษอะนะเพราะนั่นเหือกับโอ้โหคนนี้เป็นเทวดาจริงๆเลยนะในลักษณะเดียวกันเนี่ยคือเทวดาเดินดินบ้างเถอะค่ะอเพราะนั้นบางคนที่ฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยเผลอๆจะ สามารถตัดสินตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างเป็นธรรมด้วยว่าเข้าขายแล้วเนี่ยเข้าคั้นเพราะว่บเพ็ญในสิ่งที่คล้ายๆกับที่ปวงธรรมดาก็ทํากันใช่ใช่คนดีมากๆไม่มีเยอะนะคะดิฉันได้รู้จักในล้วนจะเป็นคนดีเยอะจริงๆอย่างผู้ฟังรายการนี้เป็นตน้นค่ะและที่ฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นใครทําใครได้ค่ะกรรมกรรมเนี่ยการกระทำหมายถึงเจตนาของเราเนี่ยนะ มันมันทําให้กันไม่ได้พร ะ, ะเจ้าจึงบอกว่ากรรมเนี่ยเป็นของตนของตนนะมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งต้องเลยล่ะอืะฟังท่านมาร์กได้อ่านพูท้ทวจนะเรื่องกรรมดากรรมขาวเนี่ยจะว่าไปอย่างกับตัวทีฉันเองนี่ก็ว่าที่ฉันมีทั้งขาวทั้งดํานะคะอสุดท้าแต่ว่าอย่างใดจะมากจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ไหมคะท่านคะอืม คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ก็ก็เป็นไปได้คือที่ผู้เจ้าให้ทำเนึ่งก็คือว่ า, อาพอเรามีทำทั้งดำทั้งขาวใช่ไหมมันก็จะไปสู่ที่ที่จะเป็นทั้งดำทั้งขาวอย่างเงี้ยนะถ้าเราเราพยายามที่จะละสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วทีนี้เราก็ไม่ยึดติดทั้งสองอันด้วยนี่ยิ่งจะดีใหญนะ่คือทำสิ่งที่ไม่ทั้งดาไม่ทั้งขาวาทีนี้ไอ้ ร, รมดาเนี่ยบางทีมัน มันที่เราทําไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนชั่วบ้างอ า, าจจะไม่รู้เท่าถึงบ้างอย่างเงี้ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะมาศึกษาคําสอนของผู้รู้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะอืแต่ทีนี้พอเราพูดกันขาวๆดำํดำๆเนี่ยนะคะดิฉันก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะงงอืมเดี๋ยวนี้ท<อ>ีวีมันจอสีหมดแล้วนะค่ะช่วยเปิดธรรมที่ถูกปิด <laughs> ด้วยพุทธวจนะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้ กระจายมากขึ้นอีกค่ะอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยผู้ายกเปรียบเทียบสีดำเนี่ย ค, คือพวกอกุิศรธรรมทั้งหลายนะเช่นการผิดศีลอ่าการผิด ม, มิจฉาวาจาทั้ง4ี่ผิดสามาวาจาการมีมิจฉาทิฏฐิการปฏิบัติการเพ่งเล็งพวกนี้ปิดหมดเลยนะพวกนี้คือกรรมที่เป็นกรรมดำค่ะกรรมดำอ่ากรรมขาวนะคือการที่เว้นจากทั้งหมดสิอย่างนี้ นะัคือการที่เราทําอยู่ในกุศลธรรมทั้งทุกอย่างนะนี่เรียกว่ากรรมขาว<ะ>นะส่วนกรรมทั้งดําทั้งขาวก็คือบางคนก็ทำปิดบ้างทาถูกบ้างปิดบ้างถูกบ้างสลักบกันไป น, นี<ะ>นะ่แล้วก็ที่ไม่ดําไม่ขาวก็คือพูดถึงมรรคแปดมรรคแก็จะจัดว่าเป็นกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรม<ะ>ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกรรมขาวมันต่างกับกรรมไม่ดําไม่ขาวยังไง เออตรงนี้เนะาะค่ะอย่างเช่นคุณบอกคุณไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะเราถ้าทําความดีเรามีเมตตานะเพราะฉะนั้นเออเราเรามันต่างกับมักแฝดยังไงนะก็มักแฝดเนี่ยจริ ง, รงๆเนี่ยทาไปทําไปนี่นะคือมันอยู่บนเส้นทางของสีขาวอยู่แล้วมาแฝดแล้นะค่ะทีนี้มันมันไปสุดตรงที่ว่าไอ้เจ้าสีขาวเนี่ยมันจ ะ, จะไปตันอยู่ที่เทวดาบ้างไปตันอยู่ที่พรหมบ้างจะไปตันอยู่ที่ตรงนั้นนะมันเป็นเส้นทางเดียวกันที่เราเดินมักแฝดเหมือนกันแต่มักแฝดเนี่ยจะไปต่อได้ จะไปต่อจนถึงคุณไอ้วางมันจะเข้าสู่มีหมดได้วางไอ้ที่เป็นสีขาวนั้นด้วยนะพูดยงนี้ก็แล้วกัน ค, นะคือถ้าเราสมมติเปรียบเทียบเส้น2อเส้นทางสอทางที่ขนานกันมาเนี่ยน ะ, ะสีขาวทั้งคู่เลยนะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นสีขาวมาตลอดทางด้านขวาก็เป็นสีขาวมาตลอดนะจกนกระทั่งทางด้านซ้ายเนี่ย ไ, ไปจอดไปตันอยู่นะที่1นะึตรงนั้นคือสุดอยู่ในสังสารวัตรนะส่วนทางด้านขวาเนี่ยตรงต่อไปลหลุดลงไปได้เลย ห า, หายไปเลยตรงนั้นวับไปนั่นก็คือเข้าสู่มุดนั่นคือมรคแปดนั่นเองอยู่เส้นเส้นเส้ น, สนทางขวาก็เป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่าผู้เช้าพูดตลอดเส้นทางว่ามันไม่ทั้งดำทั้งขาวค่ะว่างั้นบางทีฟังแล้วอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจได้มากและลึกซึ้งในคราวเดียววันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ในระดับที่ให้รู้ว่ากรรมไม่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะอะไร มันไม่ลบล้างใช่ไหมคะท่านคะ่ะสมมุติเราทํากรรมไม่ดีมาเนี่ยอืแล้วเรามาสร้างกรรมดีอ่ยทํากรรมไม่ดีมาน้ําหนักสิบกิโลสมมตินะคะดิฉนามาสร้างกรรมดีอห้ากิโลเนี่ยกรรมไม่ดีไอ้สิบกิโลที่ทำเนี่ยจะเหลือห้ากิโลไหมค <c oughs> อับคุณโยมตีว่าอย่างองคุลีมาเนี่ยนะพระองคุลีมาเนี่ยน ะ, ะตอนที่เป็นนักฆ่าเนี่ยนะฆ่าคนเนี่ยมามากกว่าพันคนนะเอาเฉพาะเท่าที่นับได้ในเก้ายเก้าสิบเก้านะ ที่ยังไม่ได้ดํานี่อีกเป็นหลายร้อยนะคิดว่านะค่าคนขนาดนี้เนี่ยนะค่าแบบค่าเห็นเด้วยนะไม่ใช่เหมือนกับว่าคุณเป็นนักบินเอาระเบิดไปทิง้งแต่ไม่เห็นคนตายนี่โหยิ่งจิตนี่ยิ่งจะขุ่นมัวมากจริงเลยน ะ, ะแต่ว่าเป็นมาตรฐานได้นะถามว่าที่วัดสิ้นกรรมสิ้นกรรมเนี่ยสมมติเราทํากรรมดีอย่างที่คุณโยมติยกตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณพ้นไหมล่ะถ้าคุณพ้นก็คือพ้นได้ถ้าคุณไม่พน้นคุณก็ต้องก็ต้องได้รับกรรม ไอ้พูดอย่างงงงๆนะเอาใหม่อย่างที่คุณยมติยกตัวอย่างว่านับเป็นกิโลของช่างนี่ง่ายนะคะถ้านับเป็นกิโลเนี่ยถ้าคุณยังไม่พ้นจากตาช่างนะอันนี้ก็คือยังไงคุณจะต้องได้รับสิบกิโลห้ากิโลเนี่ยมันเป็นคนละอีกตาช่างหนึ่งก็จะหมานคนละอีกตาช่างหนึ่งอ่าเป็นคนละตากะถ้าพูดถึงนักบัญชีเขาจะบอกว่าเป็นคนละบัญชีนะบัญชีที่เป็นสีแดงมาเป็นกรรมชั่วบัญชีที่เป็นสีน้าเงินมาเป็นกรรมดีคนละบัญชี คุณทํำกรรมชั่วคุณฝากเข้าไปในบัญชีแดงคุณนําความดีคุณฝากเข้าไปในบัญชีน้ําเงินค่ะนะฝา ก, กนากเข้าไปฝากเข้าไปนะไอท้ที่เป็นยอดที่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในบัญชีสีสีแดงถ้าคุณทํานะความชั่วคุณก็มากขึ้นมากขึ้นนะคุณฝากสีน้ําเงินเข้าไปกรรมดีคุณก็บ่ายบัญชีสีเงินก็มากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ได้มาเจ้ากันนะค่ะอ่าจนกระทั่งจนกระทั่งอันนี้จะไม่ใช่เคสของพระองค์กุลิมานนะค่ะกรณีของพระองค์ุลีมานเป็นยังไง นะคือโยนบัญชีทิ้งเลยไม่เอาทั้งสองบัญชีเข้าใจไหมโยนไปไหนได้เหรคะก็นี่ไงหลุดออกจากสังสารวัตรไงเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมตรงนี้หมายความว่าต้องปฏิบัติมากแปดจนทะลุทะลุไปถึงบีมุดนั่นแหละอือค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าบัญชีสีแดงจะให้ผลไหมไอ้ที่คุณโยมติ๋วช่างมาสิบ ก, กิโลเนี่ยมันก็ให้ผลในขณะที่อัตภาพยังมีอยู่เท่านั้นเอง นะพอลับกายนี้ไปก็คือจบนะคือโยนบัญชีจริงละ่ะแต่บางอย่างทํากรรมไว้บางคนบอโอ้โหยนี่ทํากรรมน่ากลัวมากเลยตั้งใจด้วยนะอืแต่ตอนนั้นไม่รู้อืแล้วก็ทุกวันนี้รู้แล้วกลัวบาปกลัวกรรมมากอืกลัวการเกิดมากอยากจะหนีให้พ้นๆไปเสียเพราะรู้ว่าถ้าต้องรับการ น, นี้หนักแน่นอนใช่ไหมอ่าค่ะทํายังไง ก, ก็ก็คิดว่าองค์กลิมาฆ่าคนมาเก้าร้เก้าสิบเก้าคนหรือกว่านั้นเนี่ย ผมเป็นกรรมที่หนักมากรู้ด้วยนะแต่ว่าเห็นผิดไงค่ะนะเพราะฉะนั้นถามว่าณณนะนะตอนนั้นเนี่ยนะคือเราท่านพระองค์คุริ ม, มาเนี่ยคือจริงๆแล้วท่านมีความสามารถมากนะในการที่ท่านสามารถโยนทั้งหมดทิ้งได้จึงทําให้ผลเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดต่อไปอีกนะผลของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวถูกต้องแล้วดีมากเลยนะถ้าคุณกลัวเพราะว่าคุณควรจะกลัวต่อบาปนันเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นถ้าคุณกลัวบาปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น นะพอมีหิริโอทปะแล้วเนี่ยสิ่ง <Okay. S 1> ที่จะเกิดขึ้นคือจะเกิดสุจริตธรรมได้นะเราจะเกิดสุจริต3ประการ <Okay. S 1> นะคือการวาจาใจเป็นสุจริตพอคุณเกิดสุจริตสประการแล้วนะคุณก็จะมีาการสำรวจอินทรีย์ได้มีการสำรวมอินทรีย์แล้วคุณก็จะมีสติสัมปชัญญะได้มีสีสัมปชัญญะแล้วคุณจะทำโพชฌงเจตให้เกิดได้เพราะว่าโพชฌงเจแล้วคุณจะระทำวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นไะด้นะคุณ <Okay. S 1> ก็จะเป็นลักษณะขององค์คริมานั่นแหละอ่าทีนี้กระบวนการตรงนี้มันเร็วหรือช้าล่ะ <น>ท่านพระองคุลิมาทําได้เร็วนะเพราะว่ามีพระเจาคอยช่วยนะตอนนั้นอตอนนี้เราก็ยังมีมักแปดคอยช่วยนะเราก็ทําได้เหมือนกันนะไม่ยากอืมก็มักแปดนี่ท่านกําลังจะพูดถึงว่าแทนพระพุทธเจ้าได้เลยหรืออ๋อแน่ น, นอนพนะระองค์บอกว่ามักแปดนี่แหละเป็นาศาสดาแทนเราค่ะนะคือคําสอนที่เราทิ้งไว้ในธรรมะในนี้แหละเป็นศาสดาแทนเราค่ะนะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเป็นเป็นมาคอยจ้าจี้จ้ำชัยนะ แต่ว่าไอ้ที่จำชี้จำชายข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้ไว้หมดแล้วนั้นคนที่กําลังวิ่งหาที่แก้กรรมอยู่เนี่ยก็ก็ควรควรจะแก้กรรมนะพุทธเจ้าก็บอกว่าการแก้กรรมนี่เป็นสิ่งดีควรทําให้มากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะแก้กรรมถูกต้องก็คือทําตามมักแปดควรทําให้มากๆด้วยแก้กรรมแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นะได้มาฟังเรื่องกรรมแล้วยังนึกว่าถ้าทํามากไอ้ของเดิมมันจะหายนะ ความความไม่ดีใช่ไหมใ้าเรากรรมดีๆมากของกรรมไม่ดีจะหายไหมมันจะพูดงี้ดีกว่าว่าเหมือนความเค็มในอในก้อนเกลือขอไปความเค็มในของน้ําในแก้วอ่ะเกลือไม่ได้หายไปไหนนะคุณโยมติ๋วแต่ความเค็มมันลดลงนะเกลือมก็ยังอยู่ในแม่น้ํานั่นแหละเกลือมันก็ยังอยู่ในแก้วนั่นแหละน้ําในแก้วนั่นแหละแต่ความเค็มของน้ําในแก้วมันมากกว่าความเค็มของอน้ํำในแม่น้ําแม่น้ําคงคาแล้วนั้นเองเกลือไม่ได้หายไปเกลือเท่าเดิมนะ ค่ะอันนี้เป็นคําอธิบายที่อ่าถ้าไม่คิดตามให้ละเอียดก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่ก็แสดงว่าการมันน้อยลงสิเพราะมันเค็มน้อยลงแต่จริงๆไม่ใช่ใชความเค็มเมื่อเอาน้ําออกไปมันก็ยังเค็มอยู่เท่าเดิมอปริมาณเกลือพูดผิดนะคุณยมตือต้องอธิบายปริมาณเกลือเท่าเดิมแต่ความเค็ ม, ดมลดลงใช่ค่ะนะคะก็ะคือสรุปแล้วทําอะไรดีหรือชั่วมันอยู่เท่าที่ทําถูกไหมคะให้ผลเท่าที่ทํำถูกต้อง อ่าขอไปผลนี่คือหมายถึงความเค็มนะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นผลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยตามความดีที่เรามีนะแ ต, แต่ปริมาณที่เราทําไปมันเท่าเดิมแน่นอนคือเกลือนถ้าเราวัดเป็นกรัมเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ถ้าวัดเป็นความเค็มเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสารละลายที่มันเพิ่มขึ้นหรือลด ล, ลงนนมันก็เลยทําให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเรื่องกดำดากรำขาวและกรำไม่ดําไม่ขาวซึ่งเป็นการสิ้นกำถูกไหมคะถูกต้องมักแปดนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ย พูดสั้นๆภายในไม่กี่นาทีแต่พาไปวิมุตได้เลยนะคะเนี่ยนี่แหละค <laughs> ือคำสอนพระเจ้าค่ะแล้ขึ้นอยู่กับเมื่อรู้แล้วก็สุดแท้แต่ว่าจะนขนควายกันแค่ไหนแต่เท่าที่มากด้วยความเพียรก็จะสมผลให้การเจริญในธรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างนั้นไหคะถูกต้องนะคือที่ฉันไม่ต้องถามท่านอย่างนั้นไม่ค่ะอะไรเงี้ยไม่กล้ารับรองเองนุง่มเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อเท่ากับให้พระคุณเจ้ารับรองคะ่ะ <c oughs> คือการที่เราทําอยู่บ่อยๆเนี่ยเราจะมีความก้าวหน้าแน่ๆก้าวหน้าตรงไหนในะตรงที่เรามีความชำนาญมากขึ้นอย่างเราฝึกขับจักรยานอย่างเงี้ยคนที่ฝึกไม่คล่องขับรถไม่คล่องเนี่ยกุญธำบ่อยๆเลยกุญยังไม่กลัวทําบ่อยๆแต่ทาให้เหมือนเดิมนั่นแหละทําบ่อยๆมันก็จะมีความชำนาญมากขึ้นความคล่องตัวมากขึ้นก็จะยิ่งดีมากขึ้นนั่นเองนะค่ะ นะคะงันวันนี้ก็เป็นการพอควรแก่เวลาที่เราได้วิธีละรู้ละแล้วคนที่คิดจะไปแก้กรรมทางอื่นก็ต้องขอบอกว่าพระพุทธองค์บัญญัติไว้ด้วยทางเดียวเท่านั้นนะคะ<ช>คือต้องพ้นไปจากระบบของกรรมกราบนมัสการขอบพระคุณท่านนะคะเทมปานค่ะท่านมีบุญหลวพี่ปุณโนนะคะจากวัดป่าดอนหยสยโุดอนธานีซึ่งขณะนี้กำลังมีคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะแล้วก็เนื่องจากก็ใกล้จะออกพรรษาเต็มทีแล้ว ท่านใดที่จะทอดกระถินที่ไหนนะคะันก็ขออนุโมทนาด้วยเพราะว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะคะเพื่อที่จะให้พระภิกษุนั้นได้มีผ้าใช้โดยที่ต้องมีคนไปบริจาคนะคะจึงได้พัฒนาด้วยมาเป็นทอดกระถินแบบเราซึ่งอาจจะมีะเขาเรียกอะไรนะคะบริวารกระิ่นดูไไม่มีการพูดแต่เรื่องผ้า เยื้ให้ก็าตามไะคะาการทำบุญทํากุศลนั้นทำทุกอย่างได้หมดตามลำดับมากน้อยตามลาดับผู้ที่เราทำบุญด้วยว่าเป็นผู้ที่มีศีลมากน้อยเพียงใดอีกต่างหากแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าก่อนทำขณะทำแล้วก็ภายหลังทำจิตเราต้องเป็นกุศลฝากกันไว้สำหรับถ้าท่านอยากจะ ทอดกะทินกับสองวัดที่พระภิกษุมาให้ธรรมะกับพวกเราเป็นประจำวัดแรกก็คือวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิพระมาร์ชาคาวารโอและท่านอาจารย์ครึกฤทธิ์โสติพโลเนี่ยนะคะก็จะทอดกะินกันในวันที่4ี่พฤศจิกา ย, ยนค่ะส่วนอีกวัดหนึ่งวัดป่าดอนไฮโซของพระภัยบุญอภิปุญโณ น, นั้นแล้วก็หลวงพ่อดออรสาดเนี่ยนะคะก็จะทอดกะินในวันที่11บเอ็พฤศจิกา ย, ยน ท่านโทรศัพท์เข้ามาที่022690006นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และการนุโมทนาด้วยนะคะที่เป็นไม้เป็นมือให้กับงานบุญค่ะดิฉันสันสนีน้าผมก็จะลาท่านฟังกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้มาติดตามพุทธวจนะที่จะได้ความรู้ว่าพระพุธองระสอนอะไรไว้อย่างถูกต้องกันต่อในรายการนี้ค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ